เป็นไงสมพงใครจะส่งกันบ้านก่อนโย่นี่ยทำไมหนีไปซ่อนข้างหลัง <c oughs> อเงีกอ้างว่าไงจิ๋ <c oughs> ส่งกันบ้านไหม <c oughs> ทำอะไรแล้วโย่ี่เตรียมสู้กับสองคนนี้ ต้องใช้เครื่องขยายเสียงฟูตอนเล็กๆนะที่อยู่ศาลาหลังสองคนอยู่หน้าเสียงถึงข้างหลังเลยจำได้ไหมครับ <c oughs> มอลีเมื่อคืนอยู่กรุงเทพ <c oughs> เมื่อคืนอยู่กรุงเทพนะเมื <c oughs> ่อไงมานั่งมองกันเฉย <c oughs> เครียนอะไรวันนี้ใครี่เป็นรุกน้องของผมนะครับพอดี้ามากราบอกอาบอกว่ามาราบอกอาก็เลยชวนมาด้วยพอดีวัดแรกใหเขาฝึกสมาธิเขาก็ได้ผลดีนะเขาไม่รู้จะทำหน่ไหนเาดปลอยไอี่มันว่องว่างเงี้ยเหตุเขาเหมือนกำหนดไปแล้วก็เปตุเขสอบก็สอบเขาพอเพ่งเข้าไปดูก็หายไปหมดเลยก็เลยชวนนเามาด้วย อจะเอาให้เห็นเลยหรือไงก็อยากเห็นต้องทรงจิตไว้นะอย่าให้วันไหวแต่ไม่ดีนะฝึกอย่างนั้นฝึกที่โกเราฝึกดูกิเลสของเราเองไม่ได้ฝึกเพื่ออย่างอื่นหรอกนะฝึก พอรู้ทันกิเลสของเรา ม, มันมีรวดมันมลำบากอย่างหมอรีโอ้แก่แล้วมันมาจับทำฟันเนี่ยยัยงเขาค่แก่ไงทำเร็วก็ไม่ได้ทำเร็วแล้วกระดูกละลายใช่ไหม คนเลยเขาไม่บอกเลยนะทีแรกเขา จ, จับเอ็กซเยจะบวชอนะ่ะแล้วเจอซีสเบลเลอร์เลยเขาฝันมันคุดนะก็ไม่รู้ว่าฝันคุดแล้วจะเกิดซีสได้ทีแรกรู้สึกเออมันมันไม่โผล่ขึ้นมาก็สบายแล้วฝันไม่ผุก็ <c oughs> ไปนอนขวางอะไรอย่างเงี้ยซสเบลเลอร์เลยตอนนั้นเนี้ยเราไปผ่าเสร็จแล้วเก็ ทับตอบมานิ้ดย้ยหมอฟันนี่มันพวกที่รักษาเราไม่ยอมเลิก <c oughs> อือยังอยู่แต่ท่านีนไม่ไหวแล้วลกนั่งะไรไม่ได้แล้วดีนศึกษาหลวงพ่อสอมนี่เขไม่ทราบว่าทไยังอยู่ยังอยู่แต่ท่านฟันไม่ไหวแล้วลุกนั่งอะไรไม่ได้แล้วดีนะศึกษาหลวงพ่อสอนเป็นมราจวิังอยิงทนไมุ่ะร้ะศึกษากลต้่องนทราวังอนะัย่ทานงะไระศาล่สตน์เารายอะ ชอบร้ว่าวชอบตสยาศาสตร์รึป่าวถ้าอท่านงนนลำบากนะอย่าไปฟุรินนะภ <c oughs> าวานาเสียหายไปเยอะศึกไปก็เยอะทีแทนที่จะภรวนารู้ทันรูปนามคือกายกับใจของตัวเองเราปฏิบัติเพื่อจะรู้ทันนะว่ากายกับใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้ต้องการเท่านั้นเองมีพอรู้ว่ามันบังคับไม่ได้ จิตจะหมดปัญหาไปเองหมดความอยากเพราะว่ารู้ว่าบังคับไม่ได้นี่อยากจะรู้ว่าบังคับไม่ได้ก็ต้องรู้ลงไปตรงๆเลยมันบังคับได้หรือไม่ได้เขารู้ลงไปรู้สบายๆไม่ใช่นั่งเพ่งนั่งเพ่งจะไม่ได้ข้อเท็จจริงเพราะทุกอย่างจะนิ่งไปหมดแล้วก็ไม่ใช่นั่งคิดเอาแล้วนั่งคิดก็ได้แต่ความคิดไม่ใช่ความจริงอยากรู้ของจริงก็ <lava> ต้องรู้สึกเ รู้สึกในอาการของกายรู้สึกในอาการของใจรู้อาการไปเรื่อย้ารู้อาการของกายรู้อาการของใจมากๆเข้าเนี่ยจะรู้ว่าบังคับไม่ได้ถ้าเข้าไปแทรกแซงเมื่อไหร่ความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในสุดจิตจะเลิกดิ้นรนเลิกสแสวงหาเลิกดิ้นรนปิดใจก็จะสบายปล่อยไม่เกี่ยวอะไรเลยนะ กับการที่ออกรู้ออกเห็นอะไรภายนอกออกรู้ออกเห็นอะไรภายนอกเนี่ยทาให้กิเลสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการดัดแปลงดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะดัดแปลงจิต ด, ดัดแปลงอารมณ์ส่วนใหญ่พอเราเริ่มปฏิบัติเราก็จะเริ่มดัดแปลงดัดแปลงจิตก่อนแทนที่จะรู้ไ้เลยว่าจิตใจเราเป็นยังไง เ, เราก็จะเริ่มดัดแปลงเหมือนที่โยชอบทะเริ่มถึงก็ทานี้ก่อน ดัดแปลงให้มันนิ่งก่อนมันนิ่งแล้วก็ไปนั่มจ้องเราไวไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ดัดแปลงจิตใจเราใช้จิตใจธรรมดาไปรู้อารมณ์ธรรมดาธรรมดานั่นเองเราต้องการเรียนเรื่องกายใจหรือรูปกันนามอะไรเป็นเครื่องมือในการรู้รูปกันนามสมพงกับได้ไหม เราก็กาาใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมดานี่แหละไปรู้อารมณ์ไม่ใช่ต้องใช้ตาทิพหูทิพจมูกทิพลิ้นทิพกายทิพใจทิพอะไรไปดูรูปที่ปรากฏทางตาใช้ตาไปดูรูปที่ปรากฏทางหูคือเสียงก็ใ้เอาหูไปฟังธรรมารมณ์ที่ปรากฏทางใจ ก็าอาใจไปรู้ซึ่งทุกคนนะรู้ได้อยู่แล้วนะดูก็ดูเป็นมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละเริ่มตาขึ้นมาคงไม่กี่ชั่วโมงก็คงเริ่มดูเป็นแล้วใช่ไหมตาเริ่มตอบสนองกงับแสงตาหูจมูกลิ้นใจใจมันมีอยู่แล้วเครื่องมือมีอยู่แล้วนักปฏิบัติกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็ใช้เครื่องมืออันเดียวกันนั่นแหละอย่างคนทั่วๆไปเวลาเขาโกรธเขาก็รู้ว่าเขาโกรธ นักปฏิบัติเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยต้องตั้งทาามากมายเพื่อจะไปรู้ว่าโกรธหรือยุ่งกว่าชาวบ้านเขาอีกนทําตัวให้ยุ่งยากยิ่งกว่าคนทั่วๆไปสิไม่โยแต่นี่โยจะรู้ธรรมดาเหมือนชาวบ้านเขารู้โยก็ต้องทําใจให้ชื่อๆไว้ก่อนดูออกไหมว่าเปิดสร้างมันขึ้นมาทำ <c oughs> ไเราไม่ใช้จิตใจที่ธรรมดาไปรู้ว่าอารมณ์ธรรมดา สิ่งเดียวที่ผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติต่างกันนะไม่ใช่ต่างที่ตัวจิตหรือตัวอารมณ์จิตอารมณ์เหมือนๆกันสิ่งเดียวที่ต่างก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ยมีโยนิโสมานสิการคือเวลารู้อารมณ์แล้วมองได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอนคนทั่วๆไปพอเขาเห็นหน้าโยว่าเนี่ยนายโยเป็นผู้ชายนี่ัยอย่างงี้อย่างนี้ดีไม่ดีอะไรอย่างเนี้ย แต่ผู้ปฏิบัติเห็นหน้าโยเห็นรูปเห็นรู้อยู่แล้วไม่ใช่คนเห็นโยไม่ใช่คนแล้วเห็นเป็นรูปประทัเป็นนามธรรมเป็นก้อนธาตุก้อนขันแต่ต้องไม่แกล้งเห็นนะต้องเห็นจริงๆจริงๆเราเห็นได้อยู่แล้วรือไหมอย่างมองขวดนี่ลองดูสิลองดูว่าสิ่งที่ตาเห็นจริงๆคืออะไรคาว่าขวดนี่คือความคิดของเราเองทั้งนั้นเลย ตาเห็นรูปใช่ไหมรูปร่างสีสันเนี่ยตาเห็นเท่านี้เองแต่ว่าความคิดนึกปรุงแต่งของเราต่อไปว่านี่เป็นขวดนี่เป็นถ้วยน้ำนี่เป็นเทพนี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์นี่คือความคิดหรือเป็นภาพมายาเป็นภาพลวงต า, าที่เราสร้างขึ้นด้วยความไม่รู้เราถูกภาพลวงตานี้หลอกเราผู้ปฏิบัติก็เฝ้ารูล้ลงตรงๆลงไปนะจิตนะใจสุข ก, ก็รู้ทุ ก, ก็รู้รู้ลงไป ถ้าเราสังเกตให้ดีนะจิตของเราจะมีพฤติกรรมมีการกระทํากรรมตลอดเวลารู้สึกไหมจิตทํางานตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็คิดนะเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็หาใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังนะจิตทํางานตลอดเวลาถ้ารู้ทันรู้ไม่ทันมันก็หลงทํางานแล้วหลงความปรุงแต่งไปยาวๆถ้ารู้ทันเราจะเห็นว่ามีพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปเลย ไม่ปรุงต่อบอย่างตาเห็นรูปตาไปดูจิตไปดูจิตรู้อารมณ์ทางตานาี่ยจับคูวิญญาณจิตสิตรู้อารมณ์ทางตารู้แล้วก็หลงยินดียินายรายก็หลงปรุงต่อแต่ถ้าเรารู้ทันสติปัญญารู้ทันตรงไปว่าจิตมันรู้อารมณ์ทางตา <c oughs> เกิดความรู้สึกทางตาเกิดความรู้สึกทางหูเกิดความรู้สึกทางใจถ้ารู้ทันตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ปรุงต่อ อัตตาตัวตนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยของเราปล่อยให้มันปรุงจนมีอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเราขึ้นมาแล้วแล้วก็มาหาทางว่าจะละความเป็นตัวตนได้ยังไงละยังไงก็ละไม่ได้เพราะสร้างอยู่ตลอดเวลาโยสังเกตไหมว่าจิตมันมีงานทําตลอดเดี๋ยวมันก็ชำเลืองไปดูเดี๋ยวมันใกล้งหนีไปคิดเดี๋ยวมันก็มาดูรูป มาดูรูปหลวงพ่อเดี๋ยวก็ฟังเสียงบังคับไม่ได้จิตเนี่ยเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกเนี่ยบังคับไม่ได้บางคนชอบมาถามว่าปฏิบัติเนี่ยจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนจิตตั้งมันทำไมมันตั้งได้ที่ไหนจิตมันของเกิดเกิดดับดับใหไม่ต้องไปตั้งมันจิตมันเกิดทางตาหูจมูกลิ้นใจใจเราเห็นว่าเออมันความรู้สึกทางตาเกิดความรู้สึกทางหูเกิด คำารู้สึกทางใจเกิดขึ้นคํารู้สึกทางใจนะเช่นแอบไปคิดแอบไปหาแอบหลงไปโกรธหลงไปคิดหลงไปหาหลงไปรักหลงไปสุขหลงไปทุกข์อะเนี่ยหลงไปทั้งนั้นเห็นไหมหลงไปหาอีกแล้วดูออกไหมโยรู้ทันการทำงานของมันลงไปเลยมันก็พุ่งลงไปถล่าลงไปเออเห็นไหมเนี่ยจิตส่งออกนอก เนี่ยส่งออกนอกเรียบร้อยแล้วหลวงปู่เทศเรียกส่งในมันส่งออกเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ตรงที่โฟกัสเนี่ยรู้ทันการทํางานของเขาดูออกไหมว่า ม, มีการทํางานตลอดเอให้รู้ทันการทํางานตรงนั้นนะรู้ไปสบายๆเนี่ยถ้าตั้งใจรู้ก็คือการทํางานอีกอันหนึ่งดูออกไหมหนีมาดูหลวงพ่อแวบหบนึ่งหนีพุชิดยาวๆนิดหนึ่งแล้วกลับมัน สร้างบนใหม่ออกมาข้างนอกใหม่เข้าไปแค่ไหนเรรู้ไปได้ได้นะรู้ทันพฤติกรรมของจิตอ่ะจิตมันมีพฤติกรรมแอบมาดูรูปบ้างมาฟังเสียงบ้างนะไปรู้อารมณ์ทางใจบ้างพอรู้รูปแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญาพอนะจิตก็ไปโฟกัสใส่รูปไปเพ่งรูปได้ยินเสียงก็โฟกัสใส่เสียงไปเพ่งเสียงเห็นอารมณ์ทางใจแล้วก็จี้ลงไปเลยเคลื่อนเข้าไปเพ่งเข้าไป โฟกัสเข้าไปในอารมณ์ทางใจโยดูออกยังตรงนั้นแหละตัวต้นเหตุเลยดูออกไหมเนี่ยหนีไปละซับแต่ห้ามไม่ได้ไม่ได้ฝึกที่จะห้ามสังเกตไหมว่าเดี๋ยวตาก็ดูเดี๋ยวหูก็ฟังอะไรเงี้ยการที่จิตจะรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นทางกายห้าทางเนี้ยเราเลือกไม่ได้ เพราะมันมีจิตอยู่ดวงหนึ่งเป็นคนเลือกให้เรียกว่าปัญจทวารวัชนะจิตหลวงปูดด่ดูลพราะว่าปัญจทวารวัชนะจิตมันเป็นคนเปิดประตูตอนนี้จะเปิดประตูออกไปรับรู้ทางตาไปรับรู้ทางหูสัง เ, เกตไหมว่านั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวตาดูเดี๋ยวหูฟังอนี้เลือกไม่ได้ดูออกไหมว่าเลือกไม่ได้จิตจะเกิดทางตาก็ห้ามไม่ได้ จะสั่งให้เกิดทางหูอย่างเดียวก็ทําไม่ได้ถ้าไปเกิดทางตาแล้วจะให้เห็นแต่รูปที่ดีก็ทําไม่ได้เห็นรูปดีบ้างร้ายบ้างเห็นไหมว่าทําอะไรไม่ได้สักอย่างนี้ใช้จิตจะเกิดทางใจก็ยังมีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนกําหนดนี่ว่ามโนทวารวัชนะจิตเป็นคนสับสวิตว่าต่อไปนี้จะให้เกิดกุศลหรืออกุศลการจัทวาลวัชนะจิตไม่แคบ คอเปิดประตูเท่านั้นว่าจะให้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจมโนทวารเนี่ยเปิดทางใจอันเดียวเนี้ยจะเปิดเป็นกุศลแรกกุศลเพราะฉะนั้นกุศลเราก็สร้างขึ้นไม่ได้อกุศลเราก็สร้างขึ้นไม่ได้เหมือนที่เราจะดูรูปเนี่ยเราเลือกไม่ได้ที่จะดูหรือไม่ดูไม่มีจิตอันไหนเลยที่เป็นอัตตาที่บังคับได้สังเ็นไหมัหนีแวบบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จิตจะหลง มโนทวารวชนะสับสวิตหลงปะหลงเลยสับสวิตเอาหาที่ว่าจะดูอะไรดีก็จะหาเลยจิต ท, ที่จะทํากรรมต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่าชวนาจิตจิต ท, ที่ทํากรรมเกิดตามหลังคําสั่งของมโนทวารวชนะจิตเห็นไหมหาละห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้มไมไดสติก็ทําให้เกิดไม่ได้ ความหลงคือโมหะจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้นะก็คือทำใจของเราเนี่ยให้มันคุ้นเคยอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลแล้วกุศลจะเกิดบ่อยถ้าจิตเราคุ้นเคยการนุสัยกิเลสก็จะเกิดบ่อยอย่างที่ผ่านมาเราสมมติเราเป็นคนชีโมโหเราโมโหคุ้นเคยกับความโมโห มนโนทวารวัชนะจิตจะสับสวิตให้โกรธบ่อยๆเพราะคุ้นเคยที่จะทําแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไร่เราคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวเราค่อยคุ้นเคยที่จะสังเกตเออร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้จิตใจมันเคลื่อนไหวเราค่อยรู้ค่อยหัดรู้หัดสังเกตไปพอจิตใจมันคุ้นเคยแล้วมันจะเกิดสติเองสติจะเกิดบ่อยๆ เห็นแโยทํำอะไรรู้ไหมเห็นการกระทํำไหมนีม่ยรู้ตรงเข้าไปที่การกระทํานะทันทีที่รู้อั น, นั้นขาดไปเรียบร้อยแล้วการหลงตรุงแต่งนั้นขาดเรียบร้อยไปแล้วดูออกไหมว่ามันขาดช็อปเลยตรงที่รู้ทั น, ทม น, มนไม่เป็นไรเห็นได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะหัดเห็นบ้างก็ยังดีดีกว่าไม่เห็นเลย แต่ถ้าโยจอ้องโยเพ่งอยู่ก็ไม่เห็นเลยเห็นไหมว่าไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งเพ่งนั่งจอง้องเลยคนละเรื่องเลยทํางานละรู้ไหมถ้านะหารู้ลงไปจิตเกิดการกระทําเกิดการกระทํากรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างมีหนะน้าที่รู้ทันมันไม่มีจิตอยู่ชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่ากิริยาจิตบางทีเรียกโกโก้เลยเรียกมหากิริยาจิตจิตของพระอรหรันต์ จิต ท, ที่ไม่ทำกรรมสังเกตไหมว่าจิตของเราทำกรรมมีการกระทำกรรมตลอดเวลาดูออกไหมเดี๋ยวคิดเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเพง่งเดี๋ยวหาเนี่ยไปกันละเห็นไหมเกิดการกระทำกรรมนี่แหละรู้ไหม <c oughs> นี่เพราเรารู้ไม่ทันสติปัญญายเรารู้ไม่ทันจิตก็แอบไปทำกรรมตามความเคยชินเคยชินที่จะโกรธมันก็โกรธบ่อย เคยชินที่จะรักมันก็รักบ่อยเคยชินที่จะรู้สึกตัวมันก็รู้สึกตัวบ่อยเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆจะรู้เลยจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราก็จะขาดไปดูออกไหมมันทางานได้เองเดียด๋วยวจะไม่ได้ตั้งใจอะ่ะ ม, ม, ม, ม, มันรู้เองรู้แบบไม่เสอือที่หลวงพ่อบอกไงว่า เป็นหน้าที่ของมโนทวารวัชนาจิตจะทําให้เกิดขึ้นแต่มโนทวารวชนาจิตจะสับสวิตให้ไม่เผลอให้มีสติเนี่ยนะเขาต้องคุ้นเคยกับความมีสติถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจของเราให้หลงอยู่ทั้งวันหลงตะเลยเปิดเปิงอยู่ทั้งวันแล้วหวังว่าจะเกิดสติไม่เกิดหรอกเพราะเขาไม่คุ้นเคยอย่างของโยถังเขียนไหมว่าเขาคุ้นเคยที่จะหาเนี่ยเขาจะหาบ่อยดูออกไหย พอหาไปเจออะไรไหวๆขึ้นมาก็คุ้นที่จะนั่งเพง่งเนไเที่ยวหาละเพราะเรารู้ไม่ทันความรุงแต่งจิตก็เลยกอะพบก่ะชาติขึ้นมาคาว่าพบก็คือการกระทำกรรมของจิตนั่นเองพอเกิดการกระทำกรรมมันก็เกิดภูผู้กระทำขึ้นมาเกิดตัวเราผู้กระทำกรรมขึ้นมามันรู้ทัน นะพอรู้ทันต่อไปมันจะเกิดสภาวะั น, นึงสักแต่มองคําว่าสักว่ารู้สักว่ารู้คือรู้แล้วไม่ไหลนะรู้แล้วไม่หลงไม่ไหลสักว่ารู้จิตไม่ไหลเข้าไปเกาะอารมณ์ไม่หลงตามแล้วยโยงคิดดูสิรู้โดยที่ไม่หลงนะความทุกข์ไม่เกิดเพราะความทุกข์เกิดตอนหลงทั้งนั้นเลยกิเลสเกิดตอนหลงทั้งนั้นเลยเห็นไหหลงอีกแล้วเห็นไหมดูออกไหม โยพาเข้าใจยังทาไมหลวงพ่อถึงวุ่นวายเรื่องเราไปหัดสมถะมันจิตกั้นยิ่งทำจิตยิ่งลงไปนอนแช่นึกออกไม้ว่าลงไปนอนแช่อยู่มันปิดกั้นสติปัญญาไว้อย่างสิ้นเชิงเลยถึงวุ่นวายว่าไปฝึกอะไรอย่างนั้นอย่างที่เขาสอนจนะิตเป็นอย่างนี้แก้นี้จิตเป็นอย่างนี้แก้ยิง่งแก้ไปแก้มาลงไปนอนแช่สบายอยู่นะ นั่นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าทางของพระพุทธเจ้าโยคอยฝึกรู้ไปโยจะเห็นอะไรไหมโยจะเห็นปฏิจจสมุปบาทงเห็นไหมว่าเริ่มทํากรรมอีกแล้วทําไมถึงไปทํากรรมเพราะไม่รู้ว่าทําอย่างนั้นเราจะทุกข์ก็เมียวิชาก็เลยไปปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมา เห็ไหมเผลอแวบไม่เจตนาเพราะฉะนั้นไม่ห้ามห้ามไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครบังคับได้ที่จะไม่ให้เผลอโยทําอะไรรู้ไหมทํากรรมแล้วรู้ไห ม, ไ ร, มรีบรู้ทันว่าทํากรรมทําอะไรไม่สําคัญรู้ว่าทําแล้วนะคิดอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าคิดเพ่งอะไรก็ไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าเพ่ง หาอะไรก็ไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าหาเห็นไหมทากรรมอีกไหมทํากรรมอะไรก็ไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่ามันทําอ ะ, อะทําตลอดสี่พระ อ, อ, อ, อวิชามันเยอะแต่ถ้ารู้ไม่ทันตรงนี้เนี่ยนะมันจะปลุกกุศลและอกุศลขึ้นมาปลุงกุศล ก, ก, ก็ได้นะหลงไปแล้วไปคิดเรื่องดีๆคิดเรื่องทําบุญทําทาน หลงกุศลจะเป็นโลกียะกุศลมมเห็นไหมดลงไปอีกแล้วางหมอหลีชื่อคล้ายๆหมอหลีนะตอนี้เห็นก็าเถือห ม, หมอหลีกันไงสามคนนี้รู้เรื่องอยังคนนี้เคยมาไหมไม่เคยอืมอืม คนใหม่เดี๋ยวมานั่งหน้าหน้านะก็คนคนเก่าหน้าช้ำช้ำแล้วไปนั่งหลังหมอลีก็คอยสังเกตจิตมันทำกรรมจิตมันมีกิจกรรมตลอดเวลารู้ให้ทันลงไปเลยพระท่านอยากมาฟังมั้งฮะหรือเห็นมันเดินแล้วอวืม เลียใจไหมถามชาวครุฑเราส่วนมากนะ่ะศึกษาศาสนาเราไปติดอยู่แค่สมาธินั่งแล้วเอาสงบนั่งแล้วเอาออกรู้ออกเห็นนะั่นอ น, อน้นอันนี้นั่งแล้วมีฤทธิ์ทำอย่างนู้นอย่างนี้นะอันนั้นอาไว้เรียนตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนะตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไอศาสตร์ชนิดนี้มีอยู่แล้ว นะหรือสีชีพายสอนได้สอนให้เหาะได้ก็มีนะรุ่นนี้ครูบาอาจารย์ที่เหาะได้มีหลวงปู่อาจารย์สมชายอยูีกคนเขาืุกิมอ่ะท่าน บ, บอกมันเป็นปิติอำนาจของปิตินั่งแล้วลอยไปลอยมา <laughs> พูดเรื่องนี้นะ่ตาตัดโตขึ้นมาเลย <laughs> เคยไปฝึกที่ไหนไหมคุณเสื้อสีฟ้าเนี้ยอืมอืมอืม ไม่ได้เป็นอยู่ที่จิตที่แ็หนว่าแต่ว่าอยู่ที่ตวที่แข็งไม่ไม่ใช่เลยหมายว่าคือมันีไ ม, ม่มีความรู้สึกว่าจะไม่ได้ว่าหนูกเชื่ออะไรแต่ว่าแต่ักผณะข้อความนั้นนะเกิดความเข้าใจไม่รู้ิไคะไม่ได้เป็นอย่ที่ไม่ลองเราฟัมแต่ว่าอีตัวที่เป็นรู้ว่าผู้รู้ที่เป็นรูวสิ่งที่ง คือเหมือนกับว่าไม่ดูสิ่งท so ี gdzieś, ่เห็นแต่ว่าย้อนมาดูผู้เห็นก็เลยเเอคือสิ่งที่เคยปฏิบัติทาก่อนเนี่ยอย่างมก่อนก็จะดูลงใใจไแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ก็คือพอว่อสอก็เลยคิดว่าสิ่งที่ทถูกหรือปลาคือเราไม่ได้ดูลงในแต่เาเราดุตรวที่ไปรู้ลงไก็ก็ฟังตามแล้วก็คิด คือตรงที่รู้ตัวรู้เนี่ยนะตอนนี้มันมีสองตัวใช่ไหมตัวนึงรู้อยู่ข้างในเนี้ตัวหนึ่งอารมณ์ผันไปผ่านมาในเดิมเราจะดูอารมณ์เช่นลมหายใจเป็นอารมณ์นะที่หลวงพ่อบอกว่าให้รู้ตัวเนี่ยไม่ใช่ให้หันมาดูตัวนี้นะถ้าเมื่อไหร่เราตรงใจย้อนมาดูตัวนี้ตัวนี้จะกลายเป็นตัวถูกรู้ แล้วมันจะซ้อนซ้อนซ้อนเข้าฉะนั้นเราไม่ทําแบบนั้นเราไม่ได้สุดโต่งที่ไม่ดูตัวนี้แล้วต้องมาดูตัวนี้นี่เป็นความสุดโต่งสองฝั่งนะมิธีการก็คือว่าเมื่อจิตมันรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นมามันเกิดความยินดียินร้ายเนี่ยให้เรารู้ทันรู้ทันความยินดียินร้ายจิตไปกระทบอารมณ์แล้วเกิดกุศลมกุศลให้เรารู้ทันกุศลและกุศลอย่าไปเท่งใส่ตัวผู้รู้นะ นักปฏิบัติก็ไปพลาดเยอะการเพ่งอารมณ์ก็เป็นสมถะการเพ่งตัวผู้รู้ก็เป็นสมถะนึกออกไหมมันมีสองฝั่งเพ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็เป็นสมถนะนี่เพราะงัเราหน้าที่ของเราคือพอพ อ, พอมันไปรู้อารมณ์แล้วเนี่ยบางทีมันถล่มเข้าไปที่อารมณนะ์บางทีมันแยกกันอยู่กับอารมณ์เราก็รู้ทันบางทีมันไปรู้อารมณ์แล้วมันเกิดยินดียินร้ายเราก็รู้ทัน เกิดกุศลนะกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์เราคอยรู้ทันแต่ถ้าเราเพ่งตัวนี้ไว้เนี่ยพอมันกระทบอารมณ์แล้วนะมันจะไม่ไปมันถูกเพ่งไว้แล้วก็จะนิ่งนิ่งอยู่แล้วก็ไม่มีความยินดียินร้ายอะไรเกิดขึ้นจะทื่อๆอยู่อย่างนั้นอันนั้นเกิดจากการเพ่งตัวผู้รู้นะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราไม่เพ่งทั้งสองฝั่งแหะแต่เราจะรู้การทํางานของเขาเนะี่ยเขาหลงไปที่โน้นเขรู้ทันว่าเขาหลงไปแล้ว เขาถอยขึ้นมารู้ว่าเขาถอยขึ้นมานเขาไปรู้อารมณ์แล้วเขายินดียินร้ายรู้ทันเขาสุขเขาทุกข์รู้ทั น, เ ข, ข เ, ขทท น, นเขาเกิดกุศลหรืออกุศลรู้ทันรู้ทันเฉยๆไม่ทำอะไรต่อเราจะเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเกิดแล้วดับจิตที่ตั้งอยู่ตรงนี้เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปตังนั้นเกิดแล้วก็ดับ เราจะเห็นแต่เกิดกระดับตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็อยู่ที่นี้เดี๋ยวก็ไปอยู่ที่โน้นเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเกิดดับไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่จิตตัวเดิมนะไม่ใช่ว่าจิตมีอันเดียวตรงนี้ที่จะต้องระวังคนที่เดินมาทางสมถาก่อนมันจะมีตัวผู้รู้ขึ้นมานะพอมีตัวผู้รู้เราจะคิดว่าตัวผู้รู้นี้มีหนึ่งตัวผู้รู้บางทีเรียกตัวผู้รู้ผู้ไม่ตาย ดัง น, นั้นครูบาจารย์บางค์ท่านก็พูดอย่างนั้นเป็นสำนวนพอถึงท่านละเอียดท่านสอนบอกผู้ใดเห็นว่าผู้รู้เที่ยงแล้วก็เป็นวิชาทิฏฐิหลวงปู่ล่าผู้เจ้าก็สอนอย่างนั้นเลยที่จริงแล้วจิตมันเกิดดับเดี๋ยวมันไปรู้อารมณ์ทางตาแล้วก็ดับไปมารู้อารมณ์ทางหูแล้วก็ดับมารู้อารมณ์ทางใจแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นเราไม่ผิดเพ่งไม่ผิดตั้งไว้หลวงปู่ดูลถึงสอนว่าจิตไม่มีที่ตั้งไม่ต้องจงใจเอาไปตั้งไว้ เพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งใส่ตัวรู้นะไม่งั้นเดี๋ยวพลาดปล่อยให้เขาทํางานไปแล้วเราคอยรู้ทันไปไปตามรู้ไปเรื่อยๆ <S <s <ist> <S เขาไหลไปอยู่ที่นู่รู้ทันเขากลับมาอยู่ทางนี้รู้ทันนะเขายินดียินร้ายเขาสุขเขาทุกข์เขาเกิดกุศลอกุศลก็ค่อยรู้ทัน Hmm. แต่ว่าพอสุดไปก็ตอนนี้ก็มีความรู้ว่าพยักมันจะมีมันจะมีสภาวะหนึ่งที่จะเห็นการทํา ง, งานของตัวรู้ที่เป็น hmm. ตัวมันเป็นตัวที่ทํางานตัวรู้มันเป็นตัวที่เห็นอื hmm. ตัวอารอารมณ์เนี้ยมันเกิากหรือว่าลมหาใจเข้าเนี้ยมันก็กระจาก เี๋ยวนนั่งแหนึ่งนะนั่งให้สบายก่อนไปทำหน้าที่เ็นะคะิงนี้เมื่อก่อนก็รู้สึก่ตัวรูเป็นผู้ไปเห็นแต่ว่าพอฝึกไปก็ก็รู้สึกว่าตัวรู้จะทที่ถ่องตัวตัวอมก็อืมน่ที่เห็นว่ามีการทำงานของสองคนเออนะนั่นให้มันเห็นไปอย่างนั้นนหะดีแล้วเราอย่าไปเพ่งใส่ตัวรู้ ถ้าเพ่งตัวรู้แล้วตัวรู้จะไม่ทําอะไรเลยตัวรู้จะทื่อๆอยู่ะปล่อยให้เขาทํางานไปตามธรรมดาแล้วยิเห็นในอารมณ์ก็เกิดดับตัวรู้ก็เกิดดับทํางานะบังคับไม่ได้บางครั้งก็ยังมีความยังคือภาวะของของอารมณ์หรือว่ามหายใจอะไรเนี้ยรู้ว่าเกี่ยวพันกะว่ามันเป็นเหมือนรูปประทับคือมันมองเห็นเห็น ตัวรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนนามธรรมในเพิซึ่งมันมองไม่เห็นเหมือนสภาวะสภาวะลมนิ่งบาทีมันมีความรู้สึกตัวนึ่นที่ไม่รู้ว่าเปลงเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าคือคือมันจะเห็นว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยมันกป็เหมือนสติอันหนึ่งแต่ว่มตัวที่เหนือกว่าไอ้ความรู้สึกของตัวร้ซึ่งแปลว่าบางทนเป็นสาวของอย่ไปหาอย่ไปหามันนะ ให้รู้ไปเรื่อยๆความรังเนยเกิดขึ้นรู้ว่ารําเนยนะนั่นคืออารมณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นแทนลมหายใจรู้อารมณ์ปัจจุบันไปเรื่อยๆการปฏิบัติในะรู้อารมณ์ปัจจุบันไปแล้วรู้ทันปฏิกิริยาของจิต ท, ที่มันเกิดขึ้นต่ออารมณ์นั้นรู้เท่านั้นฮนะไม่ต้องทําอะไรลึกซับซ้อนตัวรู้เนี่ยไปจัดการกับมันไม่ดี <c oughs> ก็พลาดได้ง่ายเหมือนกัน แล้วก็อย่าไปหาตัวรู้นะหลวงปู่ดูลบอกว่าใช้จิตสแสวงหาจิตใช้ผู้รู้สแสวงหาผู้รู้อีกกลับหนึ่งก็ไม่เจออย่าไปหามันแค่รู้ว่าสิ่งบางสิ่งมีอยู่ก็พอแล้วนี่เราคอยดูอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์เปลี่ยนแปลงก็คอยรู้ทันไปจิตพอไปรู้อารมณ์แล้วจิตหวั่นไหวยินดียินร้ายสุขทุกข์กุศลอกุศ ล, ศ ล, ศลเกิดก็คอยรู้ทันไป